พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สิบแปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าดูแลพระสงฆ์อาพาธเท่ากับดูแลตถาคต วันนี้เป็นวันที่26มกราคมพุทธศักราช2องพห้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวานหลวงพ่อออกออกไปสวดมนต์เขาเนี่ยมนไปนสวดมน์ที่อำเภอบ้านผือเป็นหัวหน้าไฟฟ้าที่เป็นหัวหน้าไฟฟ้าคนเก่าแก่ ด้มรณะลงไปครอบครัวเลยทำบุญในมต์หลวงพ่อกับคณะสงฆ์สองสามวัดไปสวดมนต์เมื่อวาวนกลับมาก็คำํำก็ได้ปลาลบเกี่ยวกับตึกหนีไฟตึกที่จอดรถจังหวัดอุดรที่หลังตึกหลวงตาหลวงพ่อไปที่ไหนโดยมากจะพูด แจ้งข่าวให้พี่น้องชาวอุดรพี่น้องแทบระแวกแถบนี้พลหลวงพอ่อจะได้มอบอาคารเน้อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตอนเช้าก็คงจะมีการบิณฑบาตรรอบตึกหลวงตาจากนั้นก็คงจะ ขึ้นมาคงจะมีการสวดมนต์บ้างสวดมนต์ย่อจากนั้นก็คงถวายพัฒาหารจากนั้นคงจะจัดเป็นผ้าป่าเพื่อสมทบตั้งเป็นมูลนิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ของเรายังไม่มีมูลนิธิ มีแต่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นมีมูนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตั้งเป็นมูนิธิที่ดูแลพระสงฆ์แล้วก็ตึกสมเด็จญาชั้นที่สิบเป็นชั้นของพระสงฆ์ทั้งหมดสามสิบแปดเตียงแล้วก็สี่มุมของตึกในห้องนั้นสี สีมุมของตึกห้องนั้นเป็นห้องพิเศษสี่ห้องเมื่อวานก็มีอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยมีพระเถระทวงติงมาว่าถ้าหากว่ามีพระเถระผู้ใหญ่เข้าไปมากกว่านั้นเราจะทำยังไงก็ถามหลวงพ่อเพราะว่ามันมันเคยเต็มมาแล้วห้องหนึ่งก็คือช่นเจ้าคุณอุดร รองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรไปพักอยู่ที่ห้องหนึ่งในสี่มุมนะ่ะได้สี่ปีกว่าแล้วที่หลวงตาส่งไปที่ประเทศจีนที่เป็นมะเร็งในลาคอเดี๋ยวนี้ท่านก็พักป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนนะ่ตึกที่หลวงพ่อไปสร้างแล้วก็ตั้งมูลในที่หอพิบาลสงนะ่งนอนมาได้สี่ปีกว่าแล้ว แล้วองค์หนึ่งก็ท่านหลวงปู่มาจากอำเภอเลือนกทาอำเภอหลวงปู่สิงห์ทองอันนั้นก็แปดสิบกว่าก็มาพักอยู่ที่นั่นองค์หนึ่งก็หลวงปู่สมพานมาจากอำเภอบึงการก็มาพักอีกมุมหนึ่งแล้วก็หลวงปู่อีกองค์หนึ่งมาพักแล้วองค์หนึ่งมาจาก ชัยภูมิอีกองค์ที่ห้ามันหมดสี่มุมแล้วจะเป็ปเนี่ยองที่ห้าก็เลยมากั้นห้องอสำหรับพระห้องพิเศษแต่ว่ามันไม่ใช่พิเศษแบบพิเศษแบบรวมกันนะแต่เขาขาดห้องน้ำาหมืนนหลวงพ่อจะทำยังไงถ้าพระเทระมาป่วยแล้วก็มีพระเทระท่านหนึ่งท่านก็บอกว่า มันก็จำเป็นนะได่ใช้เพราะเราจะไปรักษาอยู่ที่กรุงเทพทั้งศรีราชาทั้งจุฬาทั้งลาาก็ไกลเกินไปสำหรับลูกศิษย์ลูกหาต่อไปคงจะได้นี่แหละเวลาพระเถระผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็คงจะเข้ามานอนที่โรงพยาบาลศรีนครินท่า เต็มแล้วจะทํำยังไงหลวงพ่อก็บอกอถ้าเต็มแล้วก่อนน่ยเอามาโรงพยาบาลสูงอุดรควรจะมีมูลนิธิรองรับถ้าหมอโรงพยาบาลสูงอุดรฝีมือไม่พอเขขอร้องหมอโรงพยาบาลศรีนครินมาดูเป็นครั้งคราวคงจะได้อยู่มั่งอันนี้หลวงพ่อพูดนะเมื่อวานนี้ นี่แหละอันนี้คือเมื่อเราทำเรืองสร้างขึ้นมาแล้วก็เกิดประโยชน์สำหรับครูบาอาจารย์ที่พระเถระที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องดูแลกันเพราะออกมาจากตระกูล ออกมาจากตระกูลแล้วเมื่อมาบวชแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องดูแลกันถ้าว่าไม่ดูไม่แลกันปล่อยปาละเลยเฉยเมยปรับอาบถทกกฎกับผู้ที่รู้เห็นแล้วไม่ใส่ใจในเมื่อพวกท่านทั้งหลายอยากจะได้บุญกุศลให้ปฏิบัติพิกษุไใการปิบ ป, ปฏิบัติพิกษุไให อันนี้สงฆ์เท่ากับปฏิบัติเราตถาคตคล้ายๆกับว่าผู้ใดปฏิบัติเพิกสุขให้ด้วยความตั้งใจใส่ใจก็เหมือนปฏิบัติตปนนิบัติพระพุทธเจ้าอันนี้สงฆ์มากอันนี้คือท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะนี่ก็พวกเราเออหลวงพ่อก็วันเนี่ยเรื่องมูลนิธิก็ดีเรื่อง ห้องพักของพระสงฆ์ก็ดีที่ท่านพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็รักษาวินัยของท่านอีกต่างหากนะท่านไม่ใช่ว่าเราจะไปพักได้ทุกแห่งหนก็ไม่ใช่ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกับผู้หญิงแม้คืนแรกต้องปาจิตติอันนี้ก็คือพระวินัยของพระ แต่พวกเราลุงพ่อไปพูดให้ฟังพวกเราก็คงไม่รู้วินัยพระเนี่ยศีลของพระเนี่ยศีลของพระเนี่ยท่านบัญญัติว่าอย่างไงฮะภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกับอนุปสมบัตเกินสามคืนต้องปลาจิตติอนุปสมบัติก็คือโยมโยมผู้ชายอนุปสมบันิไม่ใช่เด็กหนุ่มนะอายุปสมบัติอายุถึงจะ80ดสิก้าเถอะเป็นผู้ชายไนงะ นอนอยู่ในที่มงที่บางอันเดียวกับผู้ชายหมนพระน ะ, ระ imas, ปรับอวบัดปลายจิตติแต่นอนที่มงที่บางอันเดียวกับผู้หญิงถึงอยู่อยู่ในห้องกว้างขนาดนี้ขนาดศาลานี่ยผู้หญิงนอนอยู่ทางโน้นผู้ชายอยู่ทางนี้แต่ผู้ชายผู้ชายเต็มไปหมดแต่ผู้หญิงมีอยู่คนหนึ่งนอนอยู่นู้นยังปรับอวบัดปลายจิตติพอนอนกับผู้หญิงนั้นยังผู้หญิงนอนอยู่ในนั้นในนั้น นี่แหะคือพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้มีความหมายของท่านที่ท่านบัญญัติมีเรื่องราวแต่จะบัญญัติแต่ละสิกขาบทเพราะนั้นพระสงฆ์จะไปป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นพักนอนในห้องเหล่านั้นกูบาอาจารย์ที่ท่านเคร่งในวินยัยท่านเคร่งในวินยัยท่านจะไม่ยอมเด็ดขาดอย่างหลวงปูล่ลาศอย่าเอาเราไปนอนโรงพยาบาลนะ เราไม่อยากจะไปเรายังไม่ไม่อยากจะแย่งใครเราเป็นกรรมฐานกลัวตายเหรอไปอยู่ที่ไหนก็ตายเนีถึงคราวไม่ต้องรอไม่ต้องอรอไปนะคือสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พูดให้ฟังท่านพูดเพียงแค่นั้นก็จบแต่ถ้าอธิบายขยายเหตุผลทำไมท่านถึงไม่ไปมันก็เกี่ยวกับวิญญาของพระสงฆ์ด้วยเพราะท่านเคร่งในวิญญา ท่านรักษาศีลมาตั้งแต่วันบวชรักษาศีลรักษาวินัยมาแต่วันบวชมาโคงสุดท้ายกลัวตาย <c oughs> ก็เลยมาทําผิดวินัยสักโค้งสุดท้ายทําให้ศีลด่างพร้อยศีลทะลุศีลขาดในสิกขาบทนั้นมันก็ไม่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ หลวงพ่อเองก็ได้อธิบายให้กับคณะแพทย์ฟังต่ก่อนคณะแพทย์ทั้งหลายเขาก็มาฉีดยาผู้หญิงมาฉีดยาให้พระแต่พระเทระผู้ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานเนี่ยไม่ให้ฉีดเขาก็ไม่พอใจเพราะบางองค์ให้ฉีดแต่กรรมฐานทำไมไม่ให้ฉีดหลวงพ่ออธิบายให้ฟังที่ไม่ให้ฉีดเพราะท่านเคร่งในวินยัย ก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่บางคนทำไมขายยาบ้าได้ทำไมขายกันชายาฝินได้ทำไมทำความชั่วได้แต่คนในทาไมเขาไม่ทำถ้าเปรียบเทียบก็ให้เห็นได้ชัดเจนคนที่เคารพในกฎหมายเคารพในกฎกติกาการอยู่ด้วยกันจะไปทำความชั่วอย่างนั้นได้ยังไงก็ต้องมีกฎพ่าเมื่อกฎตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็ต้อง เคารพ ก, กฎกติกาอันนั้นคือบอกพ ล, ลเมืองดีเป็นพลเมืองดีต้องปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าปฏิบัติพลเมืองเร็วละ่ะทำยังไงอันไหนที่จะได้มาอย่างไงผิดถูกข่าไม่ว่าขอให้ข่าได้จะว่าจัดเป็นพลเมืองดีได้ยังไงนี้ก็เหมือนกันนะพระสงฆ์ดีพระสงฆ์ไม่ดีเราก็ไม่ถึงว่าพระสงฆ์เร็วหรอกแต่ท่านไม่เคารพในศีลและวินยัย แต่องค์หนึ่งท่านเคารพในศีลและวินยัยนะกับเหมือนเหมือนกับเปรียบเทียบเห็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องวินัยของพระสงฆ์ศีลและวินยัยมีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สอง้ยี่สิบเจ็ดข้อนะถ้าเราศึกษาแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรศีลและวินยัย ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถ า, าคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตถ า, าคตผ่านไปแล้วศีลและวินัยนั่นแหละจะเป็นสาธาสดาแทนเราตถ า, าคตนะถ้าหาว่าพวกเราไม่เคารพในศีลในวินัยแล้วก็ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็คงจะหมดไปโดยเร็วเพราะเหตุใดเพราะ เป็นพระไม่มีศีลแถาพระทุกองค์ใส่ชุดซะเหมือนกับคารวะเนี่ยพระพุทธศาสนาก็หมดที่มียูนิฟอร์มอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ปฏิบัติให้อยู่ในธรรมในในวินัยในศีลพุทธศาสนาก็อยู่นานเท่านานศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่จึงจะหมดการปฎสมัยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ห้าพันปีคือกึ่งพุทธกาลกึ่งศาสนาแต่ถ้าว่ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงทรงศาสนารักษาศีลและวินยัยนานเท่านานศาสนาตถาคตไม่มีวันไม่มีวันหมดนานเท่านานเพราะเหตุไรเพราะยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ยังรักษาศีลและวินัยอยู่นี่หละ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านกระตรดไปเป็นสองสองขยักเหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่ครบในศีลไม่ครบในวินัยไม่เห็นคุณค่าของธรรมวินัยไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมในวันนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็หมดในวันนี้แต่ว่าพวกเรายจะเห็นคุณค่าในศีลและวินัยเห็นคุณค่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ พระพุทธศาสนาจะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะทั้งคนทั้งหลายยังเชิดชูบูชายังเห็นคุณค่านี่แหละนนี้คือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้พวกเราพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็หลวงพ่อก็วักจริงจริงอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เพราะนั้นเรื่องหมู่นิธิกวีมอบอาคาร ตึกหนีไฟก็ดีแจ้งข่าวทางพี่น้องอุดรต่อๆกันไปด้วยเนะื่ต่ลงพ่อจะให้เขาประกาศด้วยละวันที่ยี่สิบสามวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์เป็นวันมอบราคารแต่เดี๋ยวนี้ถึงจะไม่มอบก็บเถอะนะรถขึ้นไปจอดเต็มไปหมดแล้วลงพ่อไปเมื่อวานวันก่อนอ้าวรถทำไมหน้าโรงพยาบาลทำไมมันว่างขนาดนี้วาวันนี้ว่า ไม่ว่างได้ยังไงหลวงพ่อเนี่ยตึกของหลวงพ่อผมขึ้นไปอยู่ไปขึ้นไปชั้นสมเต็มไปหมดเลยชั้นสามแต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปชั้นสี่ชั้นห้าเลแต่ผมไปขึ้นแต่ถึงแต่ชั้นสามพอไปเห็นที่ว่างได้จอดอยู่ชั้นสามรถมันเต็มไปหมดแล้วหลวงพอ่อโอขนาดเรายังไม่ได้มอบอาคารเนี่ยรถยังขึ้นไปจอดก็ดีเหมือนกันนะวะพอเราสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อถ้ามัน ไม่หักไม่ถลม่มอายุปูนได้เวลาแล้วก็เอาใช้ไปเลยถึงวันที่เราจะมอบเรายังค่อยทำอีกพิธีอีกโควงในมนพระสงค์ขึ้นไปสวดมนต์ฉันเช้าแล้วก็มอบอาคารเป็นปิตยาลักษณะจักหน่อยแล้วก็จบเพราะอาคารหลังนี้สร้างไปทั้งหมดแปดสิบกว่าล้านนะศรัทธายาโยมลูกลานแปดสิบกว่าล้านตึกสิบชั้นถ้าจอดธรรมดาในประมาณห 600้อยคันถ้าจอดเข้าเกียร์ว่างถอยหน้าถอยหลังปิดท้ายรถรวมกันแล้วประมาณเจ็ดร้อยคันว่าตึกสิบชั้นไม่ใช่น้อยนะแบ่งเบาภาระในพื้นที่พอสมควรอยู่รับพรนักนอนุโมทนาให้พร